รั้งอรยธรมซูเมเรียนเป็นต้นมาไม่มีว่าทําการเจริญสติมีแต่ว่าทําความเชื่อศรัทธาและการสมาธิเราจะพบว่าสมาธินี่ถ้าไม่มีสติแล้วมันผิดเพี้ยนได้ง่ายนิดเดียวเพราะสมาธิคือการรวบรวมพลังของชีวิตรวมศูนย์โฟกัสเข้ามาแต่คําถามก็คือเพื่อเจตนาอะไรที่เราก็ฝึกสมาธิพราะคาบบางคนนี่ต้องการมีพลังจิตเพื่อจะโกงให้หนักขึ้นครับ เพื่อจะโกงอย่างมั่นใจครับลิสีบางรูปฝึกจิตเพื่อจะเหาะเหินเนือนกาดได้เพื่อควบคุมผู้คนครับเพื่อสนองตัญหาครับแต่พุทธศาสนาเราไม่มีหลักอันนี้ครับพุทธศาสนานั้นในรัตนาสูตรพระเจ้าทรงตรัสว่ามีรัตนะคือดวงแก้ววิเศษคือสมาธิที่เรียกอนันตริกสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีช่องว่างคือไม่มีการทําขึ้นครับซึ่งมันเกิดด้วยสติเมื่อสติต่อเนื่องเข้าสมาธิที่ไม่มีช่องว่างอะไรตามมา นั่นคือไม่ว่ายืนเดินนั่งกินเงียบคู่ขาก็าเกิดสมาธิขึ้นมาได้สมาธิอันนี้ท่านบอกว่าเป็นดวงแก้วในพุทธศาสนาในอริมักมีองค์แปดนะครับสัมมาสติเกิดก่อนสัมมาสมาธิทีนี้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้อยากจะเป็นควบคุมประชาชนกันมาแลอยากสนองกันหาไว้นั่งสมาธิเข้าเมื่อสติไม่มีพื้นฐานพอมีประสบการณ์ประหลาดก็บ้าเลยครับเพี้ยนทันทีเลย ไม่รู้จักฐานที่ปกติสตินั้นหมายถึงสภาพที่ปกติครับและนั่นคือศีลและนั่นคือแท่นฐานของสมาธิและนั่นคือแท่นฐานการตกผลึกทางปัญญาเจ้า ช, ชายไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงก็ต้องให้อนุญาตให้ผมถือว่านี่เป็นการตีความครับจริงหรือไม่จริงนั้นก็ถ้าผิดก็ยกโทษได้ผมให้หมดคือโกอยความผิดให้ผมให้หมดผมจะรับไว้แต่ผู้เดียวครับ แต่ถ้าจริงก็ลองทดลองดูครับว่าสมาธิจริงๆเนี่ยคือสติซึ่งต่อเนื่องกันสมาธิที่ไม่จริงก็คือชั่วคราวเป็นสิ่งที่รวบรวมมาด้วยกําลังแบบนักยิมนาสติกนักยิมนา ส, สติกนึงเขาไม่ได้ห้อยโหนทั้งวันทั้งคืนนะครับเขาจะรวบรวมทักษะเฉพาะจุดที่เขาต้องการชิงชัยเท่านั้นเองแต่ว่าหลังจากนั้นเขาขี้แยเหมือนเราล้อง่ห้เป็นอิจฉาเป็นโลกเป็นเหมือนกันเขาไม่ได้เก่งกาจถึงขนาดจะ อิสระจากข้อจํากัดหรือเงื่อนไขทางร่างกายใดๆทั้งสิ้นเมื่อทุกเขาก็เข้าครวนเหมือนกับเราทุกอย่างครับดนั้นประสบการณ์ที่โลดโผนโจนทยานนั้นเป็นสิ่งที่เสียงและมิ่นเมแต่สําหรับประสบการณ์ของเจ้าชายนั้นไม่เสี่ยงและไม่มิ่นเมยเพราะหกปีความผิดพลาดมาถึงวันสุดท้า ย, ยาความเข้าใจที่ผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ภายในคืนเดียวครับ <c oughs> เมื่อเจ้าชายพทิศฐสถานบารมีนะครับว่าให้กระดูกเลือดเนื้อเหือดแห้งก็ตามครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายท่านเอาความเชื่อมั่นอะไรมาเชื่อมั่นอย่างนั้นทามันไม่เป็นตามที่ท่านคาดถ้าไม่เป็นตามที่ท่านมีตัณหาเช่นนั้นสมมติอะไนะถ้าไม่ตายเปล่านะครับก็นั่งแห้งอยู่ตรงนั้นนีงมันต้องมีสัญญาณอะไรบางสิ่งครับที่ทำให้ชีวิต ได้ฟองกันมาว่าถึงเวลาจะถึงที่สุดแล้วผมไม่ได้ชักชวนให้รับฟังเรื่ององมงายไร้สาระนะครับมีเรื่องประหลาดของธรรมชาติครับอย่างถ้าไปอเมริกาโดยเฉพาะที่ผมมีประสบการณ์เฉพาะในชิคา โ, โกครับในฤดูหนาวก็เริ่มหนาวเรื่อยๆแต่จะมีช่วงหนึ่งที่ก็เรียกอินเดียนซัมเมอร์นี่นะครคือประมาณเจ็ดวันมันจะอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นแล้วทีนี้เข้าหนาวลึกเลยครับ ในทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คงจะอธิบายได้แต่ผมก็ไม่ทราบคําอธิบายแต่ผมรู้สึกผมรู้สึกแปลกประหลาดมากครับพว่ามันเหมือนกับชีวิตคนเมื่อใกล้จะตายนะสมมติป่วยกระสอบใส่พอใกล้จะตายนั้ น, น, นจำใส่ขึ้นเจอจ้าขึ้นแล้วเดี๋ยวไปแล้วครับถามว่ามันมันเพราะอะไรผมอธิบายไม่ได้แต่มันต้องเป็นอย่างนั้นประสบการณ์อันนี้ถ้าเรามีวิถีชีวิตซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติมากๆ เราจะค่อยๆเห็นความน่าอัศจรรย์ของโลกชีวิตและจักรวาลชีวิตโลกและจักรวาลไม่ใช่สิ่งที่สวยสว ย, สวย ง, งามโดยไร้คุณค่าครับมันมีสิ่งที่เจ้าจ้าอยู่ในตัวมันเอง ด, ดูดูใบไม้ร่วงไม่ใช่เพียงแต่ใบไม้หล่นแต่มันบอกถึงกระจกากมันบอกถึงความเปลี่ยนแปลงและมันบอกถึงจักรวาลทั้งหมดสําหรับผู้มีปัญญาอย่างพระเจ้าแล้วเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นนิดเดียวสามารถโยงใหญ่ สาวไปสู่ต้นต่อได้ดังนั้นพระาราชบิดาล่วงรู้อุปนิสัยนี้ถึงขนาดที่รับสั่งออกกฎสาวสนมกำนันในเมื่อมีงอกต้องถอนทันทีเพื่อไม่ให้เจ้าชายทรงรู้ว่ามีความแอะและมีความเจ็บด้วยแต่ว่าจะไปเก็บใบไม้เหลืองบนต้นที่กงร่วงโรยได้อย่างไรกันครับดังนั้นก็หาเล็ดลอดจากสายพระเนตรนคมกล้าของเจ้าชายไปได้มาท่านต้องเห็นนกที่บินลงมาตก ท่านต้องเห็นแมฆเกิดความเปลี่ยนลูกทรงแต่เน้นใบไม้ที่ร่วงลอยซึ่งอันนี้จุดชนวนเปลวไฟของปัญญาท่านได้เลยครับแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าทางออกอยู่ตรงไห น, นเพราะมันเป็นความรู้อยู่ในเครือของสังสารวัตรเป็นความรู้ที่เกิดจากการสะสมข้อรู้ต่างๆเช่นเดียวกันนักวิทยาศาสต์เช่นเดียวกันนักชีววิทยาหรือนักปรัชญาโดยทั่วไปแต่ความรู้ที่แท้จริงขององค์ท่านนั้นเกิดขึ้นหลังจากข้าม่น้ำในลำชลาแล้ว ทรงรู้แล้วว่าการเข้าไปในความคิดนั้นร้ายผลแม้จะทำให้ฟุ้งเฟื่องในทางปัญญาก็ตามแต่ร้ายผลในทางกดปล่อยตัวเองให้พ้นจากสภาพไร้สารภาพดังนั้นต้องเป็นความรู้ที่อยู่นอกเครือของความคิดดังนั้นมันต้องเป็นแสงสว่างของตัวชีวิตของตัวความรู้สึกตัวที่ตื่นตัวนั่นคือสิ่งที่มเรียกโนเองเนสสภาพตื่นเหมือนที่ว่าเรานั่งรถเมล์ไปต่างจังหวัด ง่วงพอรถชนเป็นโครมรู้สึกตาใสาขึ้นมาสว่างสวัยขึ้นมาพี่เดียที่จริงสิ่งอันนี้เป็นอยู่แล้วแล้วก็มันจะแสดงตัวออกอย่างโดดเด่นในภาวะฉุกเฉินสักยภาพสั้นเร็นนี้จะไม่แสดงตัวโดยธรรมดานะเพราะามันถูกบดบังโดยความคิดความทรงจำเก่าๆทุกๆคนสะสมประสบการณ์ไว้ข้อรู้มากมายต่างๆอนนั้นนะฮะได้ย่อยออกมากลายเป็นหมอกเมฆ ที่บทบังการเห็นอย่างบริสุทธิ์ที่เรียกว่าเห็นตามยะถาภูตคือตามที่มันเป็นดังนั้นภาษาตางเราเห็นดอกไม้หรือเห็นเม็ดความคิดของเราก็บดบังทันทีเราเริ่มตั้งคําถามว่าเอ๊ะทําไมเม็ดเป็นอย่างนี้ทําไมเม็ดมันสวยมากทําไมดอกไม้ดอกมันเล็กเอ๊ะกลิ่นมันหอมดีซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์เก่าซึ่งได้หลังลากออกมาแล้วก็ในสุดทําโลกใหม่โลกซึ่งเป็นโลกของกปฐมการ โลกที่บริสุทธิ์กับกลายเป็นโลกใบเก่าในความทรงจําของเราดังนั้นภรรยาและครอบครัวและลูกล ก, กลายเป็นอะไรบางสิ่งในในสมองเราเท่านั้นครับเราไม่เคยเห็นลูกหรือภรรยาจริงๆเลยพูดได้ว่าภายใต้วิถีชีวิตภายใต้กระแสะบริโภคนี้เราไม่มีเวลาที่จะเห็นลูกหรือเมียนอกจากคิดถึงและในความคิดนั่นเองทําความคุ้มคลั่งให้เราเพราะความคิดถึงก็คือความรักความยึดมั่น ความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยซึ่งสิ่งอันนี้เป็นสิ่งตรงข้ามความรักถ้าใครคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งถ้าเขายืนอยู่ต่อหน้าความคิดถึงก็ต้องหักแหลกลงนะแต่ถ้ายังคิดถึงอีกแสดงเขาผิดปกติก็เห็นอยู่ข้างหน้าแล้วยังยังคิดถึงอะไรอีกแสดงเขาติดยึดอะไรบางสิ่งแล้วครับเราคิดถึงอะไรมากที่สุดครับนักศาสนาแต่ว่าฉันคิดถึงพระเจ้า ชาพุทธคิดว่าฉันคิดถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ถามว่าพระเจ้าหรือพระรัตนตรัยนั้นมัน A อบีซีดีใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาพสะท้อนในสมองคุณหรือเปล่าในยุคหนึ่งที่เซนต์ฟรานซิสได้เริ่มประมวลปรัชญาของแอริสโตเติลนะครับว่าด้วยสภาวะต่างๆของธรรมชาติเข้ากับคาสอนของพระเยซูที่ว่า าท่านจะเห็นพระเจ้าจงเห็นทิวทัศภูมิทัศอังนงดงามนี้เพราะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นฟรานซิสการ์เซึมได้เป็นต้นเงื่อนที่ทำให้ศิลปินหนุ่มที่ชื่อจอตโตเริ่มวิธีการเขียนภาพที่มีความลึกทางมิติที่เรียกว่าเปอร์สเปคทีฟก็จะกดคุยแสงและเงา ใ, ใ, ให้ให้ลึกซึ้งที่สุดด้วยอิทธิพลของฟรานซิสเซนฟรานซิสของเมืองแอติซี เห็นไดชัดถ้าเราไม่ติดยึดต่อสัญลักษณ์เหล่านี้แล้วศา ส, สนาอื่นก็มีแสงสว่างของความจริงอยู่ในนั้นแต่ข้อนี้ก็มไม่ได้บอกว่ามีความจริงสองความจริงซึ่งลงกันไม่ได้หรือความจริงอันนั้นเป็นอันเดียวก็มไม่อาจทําอย่างนั้นได้ครับแต่ว่าถ้าความจริงไหนเป็นสิ่งที่ยืนยงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีชื่อความจริงนั้นเราควรจะรักให้มากเราควรจะอยู่ใกล้ความจริงชนิดนั้น ทั้งหมดนั้นนะครับผมได้ประมวลตลอดช่วงสิบปีเศษที่ผมอเวียนมาบรรยายที่นี่ด้วยเหตุบังเอิญครับครั้งนี้ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายในรอบปีแล้วก็ไม่รู้จะได้มาบรรยายอีกเมื่อไหร่ก็วันนี้ก็ขอกล่าวทั้งคํำลาและคำ ข, ขอบคุณด้วยที่สามที่นี้ได้ช่วยผมได้ได้จะเรียกขยายภูมิปัญญาก็ดูกระดาษปากชอบกัน ได้เล่าสู่กันฟังถึงความรู้สึกนึกคิดถึงประสบการณ์ซึ่งย้อนหวหอกเข้าไปสู่การมองประสบการณ์แบบอีกแบบหนึ่งนอกจากนี้ประสบการณ์เนการสั่งสมแผ่ขยาย perception ที่คิดนึกให้กว้างไกลโดยเจตจำนงโดยความหวังที่ให้มันรู้ถึงความมันรูปร่างใีสมบูรณ์ของตัวดับได้เราคิดว่าความเป็นอรหันต์นี่คือเราที่สมบูรณ์ที่สุด รอบรู้ทุกสิ่งเป็นสุขที่สุดอยู่เหนือโลกอยู่เหนืออะไรนี่สําหรับความใจของผมนั่นคือดักได้ครับแต่ความสุขสมบูรณ์ความคิดนี้ยิ่งนานเท่าไหร่มันยิ่งฟักตัวเันเป็นปัญหาที่มากเท่านั้นความฝ่ฝันที่เป็นพระอาหารหันต์ก็ดีเป็นพระยะบุคคลก็ดีนั้นเป็นความคิดทึ่ติดพลาดครับที่จริงนั้นควรจะฝ่ฝันที่เป็นคนธรรมดาสามัญซึ่งรู้แจ้งในตนเอง เพราะว่าการรู้ธรรมะไม่เกี่ยวกับยศกับศักดิ์หรือฐานันดรแต่ส่วนใหญ่เรามักจะคิดรวบรวมๆเหมาเข่งไปอย่างนั้นเองครับที่ว่าเป็นอาหารหรนต์เราจะไปสอนในโลกสะเทือนนะดิะทำโน้นทำนี้คนคงสยบเล่ามากอะไรท่างึงความคิดตนี้มีปัญหาอยู่ในจุดเริ่มต้นครับแล้วมันจะลุกลามกลายเป็นกระทบกระทั่งกันระหว่างศาสนาป ก, กป้องศาสนาตัวจนย่ำย่ำยามศ า, ม า, มามสานาคนอื่นไปจนได้ในสุดสันที่สุดก็จะมีไม่ได้เนื่องจาก เจตัวได้กายผู้ทําลายสันติสุขตัวเองพอเพูดถึงสันติสุขหรือสันติภาพผูพ้ที่เป็น peace maker ต้องมีมันและต้องเป็นมันไม่ใช่การเคี่ยวเขียนใหคนอื่นมีสันติภาพโดยคมมีดหรือคมดาบเราทํางั้นไม่ได้ครับในสุดผมก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ครับ ยิดีครับราอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องทางสายกลางที่ผมก็อ่านพบในมหาญาะเรื่องทางสายกลางอันนี้นะคือว่าพระพุทธเจ้าดี ด, ดพินคืออาศัยเสียงกลางอาศัยเสียงกลางของพินพินมันมีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ําทีนี้พระพุทธเจ้าอาศัยเสียงกลางอันนี้น่ะ เพื่อจะประสานประสานกับสิ่งทั้งหลายหรือดนตรีทั้งหลายหรือดนตรีทั้งหลายยังไม่ได้เบลีกแต่ท่านดิดดิดพิเสียงสายกลางอันนี้แต่ความหมายที่บอกว่าทางสายกลางหรือเสียงสายกลางหรือมัชชีมาปฏิปทาอันนี้นะคือแสดงถึงว่ามันมีเสียงสูงขึ้นไปขึ้นไปมีเสียงต่ำต่ำลงมา พร้อมบูมบทโดยเสียงกลางอาจารย์จะว่าไงผมคิดว่ามันการมองที่แปลกออกไปแล้วมีประโยชน์มากนะฮะการมองต้องถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์เล่นดนตรีเป็นไหมฮะครั บ, รบเล่นเล่นอะไรครับเล่นอะไรเอ่าก็เครื่องส า, ายเป็นไหฮะก็พินฮะ พ, พินเอ้อแบบนี้เลย เขเองไม่ได้มีทักษะเป็นดนตรีนะครับแต่ว่าจากพระคัมพีที่เล่าไว้ทั้งฝ่ายเทรวาธรรมหา ย, ยานเช่นลลิษษษษษตวิสระก็ดีอัศวโคตรก็ดีนะครหรือเทรวาคดีเล่าจงนะครับ <c oughs> อาจจะมีรายละเอียดไม่เหมือนตรงตรงที่ว่าฝ่ายเทรวาบอกพระอินนะครับ <c oughs> ออกพินมานั่งดีดตอนนั้นเจ้าชายกําลังลมหายใจกําลังลอยล้อลงมาจำทีทรมานถึงท <t> ี <t> ่สุดดังนั้นพินดีดแล้วก็อาจารย์วุฒารานเขาวาดภาพที่ฝาผนังว่า ดีดสายหนึ่งตึงเป็นใบขาดสายขาดแป้งออกสายหนึ่งหย่อนไม่เป็เพราะสายกลางๆนั้นแต่ผไม่เห็นด้วยอาจารย์นะที่บอกว่าเล่นเสียงกลางตลอดไม่เป็นเพลงครับคือคืออย่างนี้ครับคือว่าเสียงคือมาเอ่อเอ่อมามาดีดเสียงกลางเพื่อจะประสานประสานกับทุกสิ่งให้ให้เข้ากันครับครับครับครับคือคือคือเสียงกลางอันนี้นะฮะถ้าเราไม่เข้าถึง จะไม่เข้าถึงทุกสิ่งที่หนีความเป็นมนุษย์ครับครับคือจะเป็นเทวดาหรืไม่ลงไปครับคือไมายความอันนี้ต่หาฉะนั้นฉะนั้นเะยสิ่งซึ่งเสียงมันสูงที่สุดหรือเสียงมันค่อยต่ํานั่นแหละเพราะมันเป็นดนตรีจะต้องมีแต่มันที่เราได้มาคือเสียงกลางท่านอธิบายอย่างนี้แล้วท่านจะว่าอย่างไรว่าแล้วครับเมื่อกี้ว่าแล้ว ภัยรอนความภัยร้อด้วยครับตรองตามความเป็นจริงแค่นี้แหงถูกแล้วครับดีมากครับตร <c oughs> งตามที่เป็นจริงเพราะว่ามีมีพสูตรหลักพสูตรยืนยันนะครับพระเจ้าตรัสว่าถ้าทางหลุดรอดนี้ไม่มีอยู่แต่เดิมสัตว์ไม่มีวันพ้นไม่มีสละเลยแต่เนื่องจากทางออกนี้มีอยู่แล้วท่านว่าอย่างนั้นนะฮะทีนี้ไปทําให้เกินหรือน้อยไปเท่านั้นเองแล้วทางที่เกินที่น้อยนี่ท่านเริ่มประกาศธรรมจักรกับพระวัฒนัสสุทธะฮะกับ พระภิกษุหรูปที่ด้วยันจักรวิคีสุดต่งของทางนี้ที่จริงนี่ก็คือเพลงพินนั่นเองพระเจ้าเอาทักษะนั้นนะครับมาเริ่มประมวลมาเป็นภิกษุสอนภาษาวกรุ่นแรกการมสุ ข, ขันหรการนิยคนี่มันหย่อนครับเพลินสนุกมาทางสแสวงหากามาสุขไปแล้วอัตตะคีมาถานิยคนี่ก็ตึงไปแล้วก็เริ่มมัชชิ ม, มาแล้วท่านก็ไม่เพียงแต่สอนอมาติกานี้ให้นะนะเนื้ อันนี้หมายถึงว่าท่านท่านป้องกันครับป้องกันภาษาวกรุ่นแรกนะครับว่าจะเข้าใจผิดเพราะว่าการทรมานต น, นึเป็นวัฒนธรรมที่เป็นว่าทําหลักอันหนึ่งในอินเดียเผลอนี่ เ, นเดียวเพราะอาดีตปัญจวัคคีย์จะเป็นนักทรมานตอนอยู่แล้วครับแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างก็เชื้อเชิญให้ให้เน้นในทางนั้นส่วนการผสขการและการนิยคนั้นนะฮะโดยทั่วไปเรามักคิดว่าเป็นเรื่องของการเพลิดเพลินในกล่าวที่จริงเป็นหลักลัทธิครับ เจ้าลัทธิหนึ่งประกาศว่าเมื่อเราสวยสุขในกามให้มากแล้วมันจะเบื่อเองแล้วคลายแล้วหลุดรอดไปเองมันเป็นหลักลัฐทีครับมันไม่ใช่เหมือนที่เราเป็นอยู่ชาดีชาลายนะครับคําว่าชาดีชาลายแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่านั่นเองเปนที่มาของฮาเลมครับเพื่อเสร็สุขให้เต็มที่จนกระทั่งมันเบื่อแล้วหน่ายไปเองซึ่งต่อมาเมื่อพันปีหลังพุทธกาลนั้นได้ลุกขึ้นมาใหม่ลุกยืนมาใหม่ในใ น, ในรูปของตันตระ กินช่วงหกร้อปีถ้าเราไปก็ชื่อเราหัวก็ดีอินเดียบางแควนโอลิสซาจะพบร่องรอยนี้นะฮะลัทธิการมาสุขคันลิการโยคได้พลิกฟื้นในอินเดียเป็นที่มาของการมศุขอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนานะ่ยเดี๋ยวปนเป่งให้ยุ่งหมดแต่ฝ่ายมหายานก็หยิบสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้หยิบทั้งหมดหยิบมาแล้วก็เอาพระวินัยของพุทธเข้าขับเก่าจนกลายเป็นบุติสตันตระคือตันตระแบบพุทธ ที่อาจารย์ถามมันก็ดีมากนะครับแต่ผมชอบมองนี่แง่ที่ว่าแล้วครับคือประสบการณ์ในดนตรีเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งความเพลาะไม่ได้หมายถึงว่ามันเอร็ดร่อยหรืออะไรนะมันมันเกิดความปฏิปปีแล้วมันสนอกสดมันถูกต้องนี่มาเกิดความถูกกล้องเหมือนนักดนตรีไปเล่นนะเล่นผิดโน้ตเลยครูก็จะรู้องบางทีอาจจะเพลาะก็ได้นะแต่มันผิดโน้ตนะมันไม่ใช่ทางออกของมันดังนั้นทางสายกลางนี้นะครับ ไม่ใช่ทางที่พระเจ้าสร้างขึ้นคือท่านมาชี้แต่ละวันเนี่ยทางนี้ออกทางนี้มันมีอยู่ก่อนที่พระเจ้าจะปรากฏกายขึ้นในโลกนี้ได้สำหรับไนนะครัที่จริงการถามนี่มา ก, ก็ดีมากครับเชื่อหลายคนจะได้พระเจ้ามีอะไรไหมครับผมพูดต่ออยนิดหนึ่งนะครับเรื่องทางสายกลางนะครับที่จริงนั้น ทางที่สายไม่กลางเนี่ยมันกลับมีเป้าหมายซึ่งเป็นทางตันนั้นเมื่อจิตยังติดนิมิตหนึ่งมิตรใดยอยู่ไม่ว่าเป็นความสงบคือคํานิมิตแตแปลว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงนะฮะเป็นความสงบก็ได้หรือวัตถุ ก, ก็ได้นะเมื่อติดนิมิตหนึ่งมิตรใดยอยู่นั้นจะไม่เข้าทางสายกลางทางสายกลางก็คือทางซึ่งไรนิมิตครับเมื่อจิตเร็งแล้วไปสู่ความรู้รู้ตัวโดยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนี่คือทางสายกลางครับ นี่เป็นคำอธิบายของผมนะรู้แต่ไม่รู้อะไรเลยครับถ้าไปรู้อะไรสักอย่างมันจะติดอันนั้นทันทีวิญญาณจะคล้องแวะแล้วเกิดรูปความคิดทันทีครับเพื่อที่จะให้กระจ่างผมอยากจะเล่าเรื่องํำขัข น, ข อ, นของนิกายเซนนะครับต่อกคำว่าทาง อ, อ, อาจารย์กับศิษย์คู่หนึ่งเดินทางไปด้วยกันที่ตีนภูเขาซึ่งปกคลุมด้วยหิมะเนื่องจากศิษย์นั้นยังไม่รู้จักทาง <c oughs> ยังเข้าไมา่ถึงปากทางนะครับขอโทษด้วยครับก็เมื่อเข้าไปพักในห้องเดียร์อาจารย์แล้วก็เปิดหน้าต่างพาเปิดบานหน้าต่างก็ร้องอุทานตามภาษาภิกษุที่ยังเป็นบุตรชนนะครับบอกว่าโอ้หิมะเต็มภูขเขาเลยอาจารย์เขาก็ด่าให้เลยบ่าไอ้คนยึดติดรูกประทมแล้วพูดอย่างนี้ทุกขลายว่า <c oughs> สุดก็หันม า, มาแล้วอาจารย์จะให้ผมพูดว่ายัางไงในเมื่อความจริงมีอย่างนี้ เขก็ปิดหน้าต่างงั้นอาจารย์ลองลองเปิดดูอาจารย์ก็เปิดแล้วอาจารย์รองอัจาโอ้หิมะเต็มภูเขาเลย <c oughs> เหมือนกันทุกอย่างครับแต่มันขำตรงที่ว่าคนหนึ่งมันรู้ไอ้คนหนึ่งมันไม่รู้ เ, เท่านั้นเองครับดังนั้นแสดงความรู้นี่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงครับทางเดินร่วงกันไม่ได้ครับดังนั้นอย่าเถียงกันครับก็ยิ่งเสียงไม่รู้ทั้งคู่กบหลงทางทั้งคู่เลยเหมือนอาจารย์เขาบอกโอ้หิม ะ, มะเต็มภูเขาเลยแลูกศิษย์ก็เริ่มเข้าใจแล้ว่าอะไรเป็นอะไรครับ คือคำว่าทางเนี่ยต้องปิดปากเงียบครับเมื่อว่าทางสายกลางหรือทางสายไหนก็พอเถียงกันโอ้ยหลงทางแล้วครับคือหลงหาทางไปหาที่คนอื่นเข้าเนี่ยไอ้หลงทางนั้นอย่างหนึ่งนะรู้ว่าหลงแล้ดีพอรู้ว่าหลงเนี่เริ่มหายหลงนะสมมติเหมือนเราไปป่าเนี่ยคนบอว่าเออเราหลงทางแล้วดีขึ้นแล้วครับแต่หลงหาทางัไม่ดีขึ้นเลยครับไปเรื่อยๆครับย้ายตำนักนั้นตำนักนี้น้องนอย่างนี้อย่างนี้เราหลงหาทาง ถ้ารู้ว่าหลงทางจริงเนะี่ยตรงนั้นคือทางครับเอ๊ะมันรู้ตัวแล้วว่าหลงนะแล้วความหลงมากๆนะครับรู้ว่ามันไม่ใช่อะไรๆก็ไม่ใช่ไอ้ที่ใช่ไม่รู้ครับดังนั้นมันจะเกิดวิถีชีวิตซึ่งตื่นตัวเริ่มใช้สติแทนที่จะเป็นความเชื่อหรือความงมงายครับเพราะว่าเราได้ยินในฝฟังเรื่องทางครับพอเราได้ยินว่ามีทางเราก็สร้างทางกันในหัวของเราจีคล้ายๆทางเดิน ก้าวทางรอดไปเนี่ยพระสิทธิ์ที่ลุ่มลึกก็มีว่าเช่นทางถูกเดินแล้วผู้เดินไปในทางไม่มีข้อยคำวนี้ลุ่มลึกเป็นรหัสครับมันไม่ใช่เหมือนกันเรื่องเซนนะครับไม่ใช่เรื่องหัวเราะล่ากันเล่นหัวเราะแต่มันก็ขำอยู่ในตัวมันนะครับตรงที่ว่าคำพูดของสองคนเหมือนกันทุกอย่างแต่คนหนึ่งหลงทางอังคนหนึ่งไม่หลงทางมนันแปลกตรง น, นี้ครับ มันแสดงว่าทางกมได้อยู่ข้างนอกครับทางนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆทางนั้นจะถูกเดินแล้วแต่เมื่อความรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องกันเข้าจนถึงที่สุดของความรู้สึกที่สุดของความรู้สึกคืออะไรนี่มันเป็นปมปริศ น, นาที่เราเท่านั้นครับที่ต้องทำให้ให้มันแตกหักลงไม่ใช่ทำให้คนอื่นยอมรับว่าทางของฉันถูกการทาอย่างนั้นให้ผลตรงท้ามเลยครับ และคนที่ตรงข้ามนั้นก็ไม่ได้ส่งผลดีกับทั้งสังคมมนุษย์หรือตัวเองเลยครับเพราะเอาแต่เถียงกันเพื่อทาง น, นี่อะไรัหมครับอาจารย์มีคำถามดีๆเรื่อยอ่าคืออาจารย์พูดถึงเรื่องสติแต่นี่ในมหายาณเนี่ย เขาแบสติไว้สองด้านนะคือสติด้านหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้รับการอบรมเลยมันเป็นไปด้วยอวิชชาอีกด้านหนึ่งซึ่งได้รับการอบรมแล้วก็สติอันนี้ก็สองดุลด้วยปัญญาสองดุลด้วยปัญญาแต่นี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องสติซึ่งคนยังไม่ได้รับการอบรมหรือ สังสงในทางที่อพระพุธทธเจ้าทงตรัสนะก็มันอยู่ในอวิชชาทั้งสิน้นฉะนั้น เ, เรื่องเซนเนี่ยนะหรือเรื่องของมหายางสูตรต่างๆเหล่านั้นจะบอกว่าอย่าให้อย่าให้ใช่สติระลึกของตนเองขึ้นมานะเพราะสติระลึกของตนเองขึ้นมาประกอบไปได้วยอวิชชาทั้งสิน้นจงมาใช้ สติและลึกสิ้งประกอบไปด้วยปัญญาคือคืออย่างนี้กันไหมรว่าถ้าอย่างนี้ทางเทราวาตฟังแลวง้วโงเพราะว่าถือว่าสตินี่ต้องดีไม่ๆ <c oughs> แต่อาจารย์จะว่าไงครับผมเห็นด้วยนะครับใ่แงกที่ค่อนข้างลุ่มลึกแล้วเอีนะครับแต่ไงก็ตามนะครับโดยวิถีชีวิตของแต่ละคนแล้วเนี่ยมันมี มีวัฒนการที่ไม่เหมือนกันมนุษย์เราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมีท่าทานความเป็นมนุษย์ร่างกายประกอบด้วยมูลธาตุเหมือนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเป็นนาณาจิตต่างครับพูดถึงแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันโดยพื้นฐานแต่ว่าทุกๆคนไม่เหมือนกันเลยครับความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าผลพวงของความหลากหลายความต่างเป็นวิบากกรรมแต่ละคน ทุกครั้งที่มีความคิดเกิดขึ้นก็คือทุกๆครั้งที่เกิดการก่อกรรมทางมโนกรรมส่วนใหญ่เรามักจะระวังทางกายและวาจาทางกายนั้นเราอาจจะระวังได้ดีสำหรับบางคนหรือบางเหตุการณ์หรือบางสภาพแวดล้อมหรือบางเหตุการณ์วาจาไม่ต้องระวังเลยเช่นอยู่ถ้าคนเดียวนี่ไม่รู้จะพูดกับใครก็เลยไม่ไม่ผิดอะไรแต่จิตใจนั้นไม่ว่าอยู่เมืองหรืออยู่ถ้าหรืออยู่ป่าสูงเครื่องแบบสีเหลืองสีขาว อาจจะก่อกรรมได้สิ้นครับคือทุกครั้งที่เกิดความคิดขึ้นแล้วไม่รู้เท่าทันมันสติเกิดไม่ทันแต่ถ้าสติเกิดในกระแสความคิดสติตัวนั้นเป็นอวิชชาถูกครับผมเห็นด้วยบอกว่าให้รู้ตัวก็เท่เดินรู้ตัวอยู่ทั้งวันหนึ่งนะครับนั่นเป็นอวิชชาครับที่จริงสติจริงๆนั้นเราไม่น่าจะเรียกสติจริงๆเท่าว่าโดยหลักของการนิรุกตินะครับองเรียกเราไม่น่าจะเป็นอย่างตัวหนึ่งมั้งสติ ควเพียด้วยกับฝ่ายมหายานที่ยักเยื่องไปเรียกพุทธะคือมันสั้นอยู่ไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะฮะคำกล่าวของมหาญาณที่ว่าพระพุทธเจ้ากับโจรก็ไม่ได้ต่างกันเพียงแต่โจรไม่รู้ตัวว่าตัวเองคือพุทธะส่วนพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าท่านคืออะไรนั้นโดยความเป็นจริงแล้วไม่ต่างกันเลยถ้าต่างต่างตรงไอ้คนนึงรู้ไอ้คนนึงไม่รู้เท่านั้นเอง แต่ว่าความคิดแบบเทรวาสผมคิดว่าค่อนข้างอ่อนตรงที่ว่าคิดว่าพระเจ้าเป็นเทวดาหรือเป็นบุคคลพิเศษถ้าพิเศษมันไม่ได้พิเศษในแง่ของความพิสดารพันหรืออะไรครับพิเศษตรงในท่านมีบารมีแก่กล้ากว่าทมีขันติเหนือกว่าคนธรรมดาท่นใจจริงกว่าใจเด็ดกว่าจริงจังกว่าปฏิบัติรวดเดียวกว่าอะไรนี้นะแต่แม้ขนาดนั้นก็ดีถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตของพระเจ้าในทางประสา ท่านยังสู้สาวกพระองค์ไม่ได้สาวกองค์นั้ยินธรรมะเป็นประโยคเดียวบรรลุธรรมเลยถึงที่สุดเลยเราเทวติบายอย่างไรครับเรื่องบารมีนั้นเป็นเรื่องลึกลับเรื่องหนึ่งนะดังนั้นสัญลักษณ์ที่บอกแม่ธรณีได้ลุกขึ้นบีบมวยผมตัวนี้ครับคือเป็นสัญลักษณ์ของปารมีตาซึ่งเป็นมุมมองซึ่งมองการสรัตว์ลูกเจ้าในแง่ของความลึกลับ มีพลังลี้ลับนี้ศักยภาพอันซ่อนเร้นที่แฝงอยู่ในตัวมนุษย์ที่พลิกสถานการณ์ทําให้ปุถุชนกลายเป็นอิยะได้ถ้าความเชื่อข้อ น, นี้มีไม่พอนะฮะการปฏิบัติจะไปทางครับคือการสั่งสมแผ่ขยายเพอร์เซพชันคิดนึกใช้จินตนาการแบบนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทย า, ยาผมคิดว่าจารย์รุ่นโบราณเขาลุ่มลึกและเข้าถึงมันจึงเสกสร้างเรื่องราวนี้ที่จริงนี่พระเจ้าไม่ได้เล่าเองนะว่ามารประจนอะไรท่าน รุ่นหลังทําขึ้นแล้วถ้าผมต้องเรียนถามอาจารย์ด้วยกับมาถ้าหยุดลังกานานเรื่องแม่ทรณีผมสงสัในลังกาก็ไม่มีครับมีเฉพาะประเทศนี้ครับนั้นแสดงเป็นประสบการณ์ลุ่มลึกของนัก ว, วิปัสสนาิกไทยครับผมใช้คำนี้นะวิปัสสนิกไทยที่ที่หารสร้างมิตรขึ้นอธิบายวาระที่สําคัญที่สุดของพระเจ้าซึ่งเป็นก้าวย่างงี้เข้าหานมากนะผมเสื่ในลังกาไม่มีผมก็เที่ยวไปหลายวัดหลายโบด ไม่ไม่เห็นร่องรอยครับหมายถึงจิตกรรมผ้าผนังนะฮะการที่แม่ทูนบิมดมือผมแม่ทูนีคือปรมิตานะครับในมหาญาณ น, นี่จะมีสูตรมหาปรัชญาปารมิตาสูตรนะฮะหรือบารมีปัญญาบารมีเนี่ยสาคัญที่สุดเลยแล้วมันไม่ใช่สติในความหมายที่เพราะคิดว่ากําลังเดินคิดว่ากำลังนั่งไอ้นี่ไม่ใช่ครับผมค่อนข้างไปเห็นด้วยกับอาจารย์ที่สอนว่าเมื่อล้างมือให้คิดว่ากําลังล้างมือหนอเนี่ยอย่างนี้มันเป็นนวิชาทันทีครับไปคิด ซ้อนไปในความคิดเนี่ที่จรงให้ความรู้สึกล้วนๆเท่านั้นเองครับชีวิตจริงๆนั้นคือความรู้สึกตัวอยู่แล้วครับแต่ว่ามันยังไม่รวบรวมตัวมันขึ้นมาเปรียบเหมือนกองทัพซึ่งหลับไหลอ ย, อยู่ครับพลังของกองทัพที่เอาชนะข่าศึกยึดสมรภูมิมีพร้อมแต่ว่ากองทัพก็กำลังหลับอยู่ที่ไม่ได้ยินเสียงค้องจากแม่ทัพมันก็ตื่นทีละคนสองคงนี้สองค น, งค น, งค น, งคนยังไม่ถึงเวลาครับ แต่พตื่นหมดก็รวบรวมพลังขึ้นมายึดสมลภูมิได้มีพมเปรียบออกไปสู่สงครามนะครับมันแท้จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมะนั้นต้องทำเหมือนกับสู้ศึกครับมีคำกล่าวของอาจารย์นุ่นโราณว่าเรียนอย่างปราดคือมีสุจิปุรินะเรียนอย่างปราดสุจิปุิเนี่ยผมไม่ต้องอธิบายนะคิดเขียนฟังถามสักจดอะไรอะไเนี่นะ จึงเป็นที่มาของความเป็นปราดแต่เมื่อคราปฏิบัตินะั้นให้ทําอย่างนักรบอย่าไปทําอย่างปราดเข้าทำอย่างนักรบโ บ, บราณคือเมื่อลงสนามแล้วไม่เลิกจุดนี้ผมคิดว่าเราจะเปรียบเทียบได้นะครับองค์พระเจ้าท่านไม่เลิกลาเลยอย่างเราเลิกครับบางทีกําลังเดินชมกรงเพื่อนชวนไปดูหนังโคลไปเลยมีที่ต่างประเทศ น, นะยจัดรายการ เจ็ดวันของการทอนาเผลอเนีนเยำไปดูหนังก่อนแล้วกลับมาภาันนาฮาทอการเป็นเกมไปเราเราปฏิบัติธรรมนี่เรามันจะเป็นนิสัยคนไทยหรือเปล่าครับที่ชอบเล่นกันทุกๆเรื่องไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะผมคิดว่า